อากังขมาณะฉักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังที่จะลงตัดสปาปิยสิกากรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์สามคือหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะ ก่อความวิวาดทำความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์สองโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมากต้องอาบัตกำหนดไม่ได้สามอยู่คลุกคลีกับขรหัดด้วยการคลุกคลีกับขรืหัดที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง พึงลงตัดสปาปิยศิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์สามเหล่านี้แหลหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์3ามแม้อื่นอีกคือ 1. ่เป็นผู้มีสีลวิบัติในอธิสิน 2. เป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัจ ช, ชาจารย์ 3. เป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวังพึงลงตัสปาปิยศิกากรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามเหล่านี้แหละหมวดที่สภิกษุทั้งหลายสงฆ์เมื่อมุ่งหวัง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 หมวดที่ 4. ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปียสิกากรรมแก่ภิกษุ3สามรูปคือ 1. รูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงส์ 2. รูปหนึ่งโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัตมาก ต้องอาบัตกำหนดไม่ได้ 3. รูปหนึ่งอยู่คลุกคลีกับขรืหัสด้วยการคลุกคลีกับขรืหัสที่ไม่สมควรภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยศสิกากรรมแก่ภิกษุสามรูปเหล่านี้แหลหมวดที่ 5. ภิกษุทั้งหลาย สงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยศิกากรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสารูปคือ 1. รูปหนึ่งเป็นผู้มีสีลวิบัติในอาทิศินสอรูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจาราวิบัติในอัจฉาจารย์ 3. รูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวัง พึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปเหล่านี้แหลหมวดที่6ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอื่นอีกสามรูปคือ 1. รูปหนึ่งกล่าวตีเตียนพระพุทธเจ้าสองรูปหนึ่งกล่าวติเตียนพระธรรม